ที่ัวเราทั้งหลายจะได้ฟังการบรรยายประจำวันอาทิตย์ที่6ของเดือนกอรกฎาคมตามปกติทางวัสนามในก็ได้มีการจัดการบรรยายธรรมะประจำทุกวันอาทิตย์เป็นลำดับมาพอดีในช่วงนี้ตมาก็มีโอกาส ได้ลงมาที่วัดสนามในก็มาในงานประชุมประจำปีของคณะกรรมการ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับการเผยแพร่การเจริญสติปัฏฐานแบบการเคลื่อนไหวก็มีโอกาสได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายณทีน่นี้เรื่องที่จะบรรยายในวันนี้ก็ตามหมอข้อที่กำหนด ก็ให้พูดเรื่องการเข้าถึงแก่นของศาสนาคือสัจธรรมที่จริงมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยคําว่าการเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่มันมีอยู่ขอพูดว่าแม่แต่ถูกเขาด่าก็ยังเห็นสัจธรรมได้มีความทุกข์ เกิดขึ้นก็เห็นสัจธรรมได้อะไรก็ตามมันมีสัจธรรมอยู่ที่นั่นอยู่ที่ทุกหนทุกแห่งไปไม่ใช่จะต้องได้ไปสแสวงหาที่อื่นทีนี้ต้องอาจจะพูดเป็นลำดับต่อไปว่า <c oughs> เพราะว่าในหนังสือตามที่ทางคณะกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมได้ลงลงไปไปพูดแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปด้วย หลวงพ่อจะพาญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายมากําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปเลยโดยเฉพาะ <c oughs> การปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติปัฏฐานวิธีการเคลื่อนไหวนี่เราก็มีรูปแบบการสร้างจังหวะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะก็ยกมือ กมือหายมือคว้ามือปล่อใส่กายเป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้กำหนดดูกายตอนเช้านี้หลวงพอ่อด้พูดไปอีกนิดหนึ่งเพื่อให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นการทบทวนไปในตัวทีแรกเรามาดูกายเอาอะไรดูเอาสติสมัชชัญญะดูกาย หมายถึงดวงตาในคือสติสมัญญามาดูกายที่มันเคลื่อนไหวแต่เมื่อเราถูกดูที่แรกเราก็เป็นผู้ดูดูกายเห็นกายมันเคลื่อนมันไหวส่วนกายมีหลายอย่างที่มันเคลื่อนไห ว, วเราจิตนายกมืออย่างนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของกายเรากับพิบตาก็เป็นการเคลื่อนไหวของกาย การกลืนน้ำลายก็เป็นการเคลื่อนไหวของกายการยืนเดินนั่งนอนก็เป็นการเคลื่อนไหวของกายให้มีสติรู้ตามมันทันมันทักท่วงมันอยู่เอยอย่าปล่อยให้มันไปเป็นอิสระตามความเคยกินของมันอาศัยอริบ ท, ที่มันมีตามปกติเพื่อปลูกสติไม่ใช่ให้มันเคลื่อนไหวโดยที่เปล่าประโยชน์ เราเดินจากบ้านไปที่ทํางานก็อย่าเดินเฉยๆเดินกําหนดมันอย่างปีนี้ <c oughs> อาตมาอยู่ที่ชยภูมิวันหนึ่งต้องเดินเป็นหมื่นเก้าเดินจากบ้านไปที่วัดเดินจากวัดมาที่บ้านพ่อหลวงพ่ออยู่ที่นั่นมันมีมันมีสองวัด การเดินไปเดินมาไม่ได้เดินเฉยๆกำหนดให้ลู้ทุกก้าวที่มันเดินไปจนกำหนดได้ว่าเดินจากบ้านไปวัดได้ห้าพันสามร้อยเจ็ดเก้าเดินจากวัดไปบ้านก็ได้ห้าพันสามรอยเจ็ดเก้าคือกำหนดลู้อยู่เมื่อเรากาหนดลู่อยู่อย่างนี้ มันก็เป็นนิสัยที่จะทําให้เรารู้ง่ายขึ้นมาแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราจะดูกายมันไม่เห็นเฉพาะกายมันถูกกันเดินมาแย่งมาชิงไป บ, บ้างหลายอย่างสมมุติอย่างที่เรากําหนดดูกายยกมือพลิกมือขึ้นยกมือลงเอามือมาอย่างนี้เอามือออกอย่างนี้เอามือไปอย่างนี้ให้รู้อยู่นี่มันจะรู้บ้าง แต่บางทีก็ถูกความง่วงมาแย่งออาไปถูกความคิดมาแย่งออกไปคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงบ้านคิดถึงช่องคิดถึงการเก่าคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตแล้วแต่มันจะคิดไปมันแย่งออกไปมันมันมาตัดหน้าเราไม่ให้เราเห็นกายตามคนมจริงผู้ที่ไม่เคยเวลาที่ถูกสิ่งอื่นมาแย่งไป อาจจะมากกว่าเวลาที่เราลู้กายจริงๆอันนี้หลวงพ่อพูดตามความรู้สึกจากที่ได้ประสบมาโดยเฉพาะวิธีการจเจริญสติปัฏฐานแบบการเคลื่อนไหวนี้มันจะถูกลุ่มมากทีเดียวเพราะมันเป็นวิธีลัดเหมือนกับเราเรียนลัดถ้าไม่เจ็งจะตามไม่ทันไม่เหมือนกับเราเรียนตามปกติ สมมติว่าเราเรียนรัดถ้าไม่ได้ฟังอาจารย์สอนเพียงชั่วโมงเดียวตามไม่ทันหลงไปเลยเกิดไม่รู้อะไรไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการเจริญสติปัฏฐานบางคนว่าไม่ไม่รัตแตะมาว่ารัดที่สุดสมมติว่ารัดที่สุดยังไงอะไรคือสินคือสมาธิคือปัญญาตามปกติเนี่ยเขาจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเขาต้องเรียนวิปัสสนาภูมิ เ๋าต้องเรียนรู้มันเสียก่อนเรื่องวิปัชนาภูมิบ้างเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องอขันหา้าเวทนาอะไรต่างๆที่เขาเรียนกันไปอันนี้ไม่ต้องเรียนมันจะเห็นเองมันจะเห็นวิปัสนาภูมิเองอย่างที่เราเห็นศีลมันคือเห็นยังไงเราไม่ต้องไปเรียนมันหรอกเรื่องศีลการรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลไม่ต้องเรียน การรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิก็ไม่ต้องเรียนความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาก็ไม่ต้องเรียนพอเรากําหนดมีสติดูกายมีสติดูใจมันกายมันเคลื่อนไหวส่วนใดรู้อยู่ตลอดเวลาใจมันเคลื่อนไหวส่วนใดมันคิดเรื่องใดรู้อยู่ตลอดเวลาจนมันไม่มีโอกาสที่จะปรุงแต่งนี้ไปจากกายจากใจ เห็นอยู่ตลอดเวลามันก็รู้ทันทีว่าโอ้อันใจที่มันไม่คุ้นคิดไม่ฟูไม่แปบไม่ห่วงเหงาเหงานอนมันรู้อยู่ตลอดเวลานี่นี่เขาเรียกว่าสมาธิสมาธิาคือจิต ท, ท him, this, <M> ี่มันเชื่องมันไม่พยศว่าให้อย <Down. S 1> ู่นี้มันก็อยู่นี้ว่าให้เดินอยู่มันก็อยู่การเดินมันเห็น สมาธิไม่ใช่นั่งอย่างนี้นะการนั่งกายตั้งกายให้ตรงเมือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอันนั้นไม่ใช่สมาธิเป็นวิธีการสมาธิจริงๆคือจิตใจที่มันเชื่องมันไม่หนีไปทางใดเรากินข้าวเราทานข้าวก็เป็นสมาธิเราทํางานก็เป็นสมาธิหลางพมาเห็นนีมโอ้ตัวสมาธิ ก็คือจิตใจที่มันเชื่องญาติโยมแม่บ้านขวดบ้านซักผ้าอยู่ที่นั้นผูวบ้านก็อยู่ที่นั่นซักผ้าก็อยู่ที่นั่นตำน้ำพิ๊ก็อยู่ที่นั่นเห็นลูกเห็นหลานผิดหูปิดตาก็มีสติลูกไปบอกอย่างมีสติไม่ใช่อารมณ์เป็นผู้สัง่งเห็นลูกหลานทำผิดอารมณ์เป็นผู้สัง่งก็ดูก็ด่าหลงตัวเริมตนนั่นไม่ใช่สมาธิด่าคนก็มีสมาธิพูดให้ถูก อันนี้ถ้าลูกหลานทำผิดทิ้งไว้ไม่ได้ต้องสอนมันที่แนะนำอย่างมีสติสมัชั ญ, ญอันนี้เรียกว่าสมาธิได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นรูปแบบคือใจที่มันไม่พยศใจมันเชื่องใจมันหมดพยศมันเป็นปกติไม่ฟูไม่แฟบไม่ปรุงไม่แตกนะ <c oughs> พอเรามาเห็นอันนี้ก็โอ้ ตัวสมาธิคืออันนี้นี่เองตัวจิตใจที่ไม่ปลุงไม่แต่งใจมันไม่พะยศะจะวางไม่ที่ใดมันมีระเบียบเรียบร้อยของมันอย่างหนังสือมันก็อยู่กับหนังสือจะทางานมาันจก็อยู่กับการทำงานอะทำมาค้าขายจะเดินจงกรมจะให้มันอยู่ที่ใดมันอยู่ที่ตรงนั้นก็รู้ทันทีเรื่องศีลเรื่องปัญญาก็เหมือนกันใจที่ปกติ ไม่ปลุงไม่แตกไม่ฟูไม่แคบไม่มีเรื่องที่จะมายุ่งเยิงเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนั้นเมื่อใจมันมีระเบียบกายมันก็มีระเบียบมันก็เป็นการว่ารักษากายวาจาเพราะกายเป็นธาตุของใจวาจาเป็นธาตุของใจเป็นจำเลยที่สองของจใจใจสั่งเสียก่อนมันจึงจะพูดเป็นมันจึงจะทําเป็น ตัวสติไปเล่นงานเจ้าใจโน้นมันจะพูดกลัวที่มันจะพูดออกมามันต้องคิดก่อนตัวสติไปรู้อยู่ก่อนแล้วจะพูดเรื่องใดจะทําเรื่องอะไรจะไปไหนแม่จะนั่งอยู่มันจะพลิกตัวเปลี่ยนในบทก็รู้ทันทีไม่ได้มันไม่ใช่ความคิดพาไปเป็นตัวสติทักท้วงมแล้วก็พลิกไปตามอาการของมันมันก็รู้ทันทีว่าโอ้สินคืนนี้ สมาธิเกนนี้ปัญญาเกินนี้มันจะรู้อย่างนั้นจึงไม่ต้องเรียนวิปัสนาภูมิมันจะประสบไปเองแม้แต่เรื่องของอกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายกิเลสที่เป็นฝ่ายศัตรูกับฝ่ายกุศลคือสินสมาธิปัญญามันก็รู้มือนกัน มันไม่ใช่จะรู้เฉพาะเรื่องกุศลอย่างเดียวมันรู้อภิสุจนด้วยถ้าจิตเป็นอย่างนี้มันก็กลับมาเป็นมันคุ้นคิดไปมันก็กลับมาเป็นมันรู้ว่ามันผิดมันถูกมันรู้เองไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เรากําลังทํานี่อยู่เรากาลังกําหนดอยู่มันจะคิดไปทำไมาันรู้ทันทีขณะที่เรากําหนดอยู่มันเอาค้อมุ่งเข้ามาแล้วก็รู้อยู่ถ้าเราไม่ดูมันถ้าไม่รัดจริงๆจะไม่ทัน บางทีความม่วงแย่งเอาไปนั่งสัพรงโคบางทีก็นอนจะเป็นผู้ง่วงเป็นผู้คิดจนหน้าดำข้างเครียดไปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นวิธีลัดถ้าไม่เจงกล้าจริงๆจะถูกสิ่งเหล่านี้แย่งริงเอาไปสำหรับตัวของอตมาเองประตูแรก ด่านแรกก็คือถูกนิวรธรรมคําว่านิวรณธรรมก็เป็นชื่อเป็นชื่อสมมุติคําว่านิวรณธรรมก็คืออันหนึ่งก็คือความง่วงเหงาเหงาหนอนจะให้มันอยู่ที่นี่มันไม่อยู่มันจะหลับให้จนได้มันจะสยบให้จนได้มันไม่ยอมรู้ความง่วงเนี่ยมันจิตมันดื้อคำว่าดื้อกับสุขสนมันต่างหากดื้อมันจะมันจะเอาดันไปของมันอันเดียว มันไม่ยอมมารับลูกกายเคลื่อนไหวคือจิตมันดือ้อคำว่า น, นิวรณธรรมตามภาษาเขาเรียกว่าถีนมิทัคถีนมิทัคคือความดือ้อจิตดือ้อไม่ยอมฟังเสียงใครจะกยกมือให้มันลูกมันก็ไม่ลูกมันจะหลับจะหลับจะหลับพระตวนี่ต้องขอสู้เกลียดเจ้าตัวไม่หลอกพอกําหนดเมื่อไรมันลุ่มเข้ามา ถ้าไม่กำหนดมันก็สบายนั่งคุยกันกำโมกมิดได้ทั้งวันพอจะตั้งท่ากำหนดเอาแล้วหาวา่าขึ้นมาคิดหน้าคิดหลังอ่อนลงอ่อนลงปรากฏว่าหมดเลี้ยวหมดแรงจะยกมือก็ไม่ขึ้นวางตัวเปียกขึ้นมามันบีบเข้ามาพอดีเรามาอาศัยการเจริญเสติกก็ได้อบรมอยู่เรื่อยๆให้ดูมัน มันง่วงก็ดูมันอย่าเข้าไปเป็นการที่เราเห็นความง่วงถ้าเราเห็นมันจริงๆล้วก็แจ้ความง่วงอย่างถูกต้องมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อใดเราเห็นความง่วงตามความเป็นจริงเราก็แจ้ได้ถ้าเราเห็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นสั จ, จธรรมแม้จะเห็นความง่วงก็เป็นการเห็นสั จ, จธรรมเพราะว่า ว่งวงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเป็นอุปสรรคที่มาขวางกัน้นจิตมาให้บัรลุคุณงามความดีประตูแรกประตูต่อไปก็ลังเลสงสัยสมัยก่อนนี่การเจริญเกรรมฐ า, านในธรรมแบบพุทโธมันแย่งกันพอยกมือไปยกมือไปทำไปทามามก็มาลงที่นี้พอตนเองเคยทำแบบนี้ อย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องมายกนี่ยกนี่มันไม่งามอะไรมันไม่เหมาะมานั่งอย่างนี้เหมาะกว่าเพมานั่งอย่างนี้นาะน่าที่จะเูืเสจะได้คนหลับไปขมายกมือหม่สร้างจังหวะลังเลสงสัยไม่ตัดสินใจจริงๆว่าจะเอาอนันใดแน่เอาแต่มันก็นำไปตามความคิดตามความที่อารมณ์เราดันมาแย่งไป พอเรามารู้สึกว่าโอ้ลักษณะใจที่มันลังเลสงสัยมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นมันเห็นมันคิดก็เห็นมันไม่ใช่เต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้คิดมันมีเหตุปัจจัยมันเป็นธรรมชาติของมันมันคิดขึ้นมาลังเลสงสัยขึ้นมาก็รู้ทันทีแก้ความคิดธรรมดาถ้าเราเห็นความคิดตามความเป็นจริงก็แก้ได้ก็เรียกว่าเห็นสัจธรรมเหมือนกันเห็นสัจจะเหมือนกัน บางทีมันคิดถึงอดีตอนาคตมันก็คิดไปหลายอย่างถูกมันแย่งอไปเทินไปบางทีลูบบางนิดนิดหน่อยหน่อยมันคิดไปความลู้อย่างนี้ไม่เคยประสบพบมาเมื่อได้อารมณ์เบือ่อแหลกลู้จากลูบรู้จากน้ามันจะคิดไปสิ่งที่เราไม่เคยลู้มันลู้ขึ้นมามันก็กระตือรือล้นคิดอยา ก, กไปสอนคนนั่นอยา ก, กไปสอนคนนี้ มันคิดไปต่างๆแล้วนะตัวที่เราจะรู้มันก็ไปกินหมดก็หลงสติมันไปตามความคิดหมดพอมารู้มันตามความเป็นจริงการคิดเรื่องอดีตเตออนาคตมันก็เป็นอาการของจิตมันเป็นอุปสรรคกันหนึ่งมันมาแย่งให้เราหนีจากสติสมัญญะแทนที่จะเป็นสติยิ่งขึ้นไปสมาธิยิ่งขึ้นไปสมัญญะยิ่งยิ่งขึ้นไป จนเจ ก, ก็เป็นไปสว่างที่สุดมันก็คอยที่จะดับดีลงดีลงความคิดความปรุงความแตงแย่งเอาไปกินผลที่สุดก็ไม่เจริญต่อมาเรามาศึกษาดูจริงๆไม่หนีจากการเคลื่อนไหวของกายไม่หนีจากใจที่มันคิดเป็นผู้ดูมันเป็นผู้ดูการเคลื่อนไหว มันคิดก็รู้มันง่วงก็รู้มันเพื่อนมันไว้ก็รู้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ดูมันเป็นผู้ที่ทักท้วงมันเห็นมันตามความเป็นจริงจิตคิดดีก็เห็นมันจิตใจมันคิดไม่ดีก็เห็นผลที่สุดมันเปิดเผยออกมาว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนความโกรธก็เห็นมันความโลภก็เห็นมันความหลงก็เห็นมัน ความสุขความทุกข์ก็เห็นมันความรู้ก็เห็นมันความไม่รู้ก็เห็นมันมันมีสัจจธรรมอยู่ในนั่นทุกข์นทุกแห่งไม่แต่ความโกรธผู้ใดเห็นความโกรธจริงๆผู้นั่นก็เห็นสัจจธรรมถ้าผู้ใดเป็นผู้ที่โกรธผู้นั่นก็ไม่เห็นสัจจธรรมความโกรธมันมีความไม่โกรธมันก็มีความสุขมันมีความไม่สุขมันก็มี ความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์มันก็มีมันมีเป็นคู่คู่อยู่นั่นแต่คนเราไม่รู้จักมันตามความเป็นจริงยเวลาใดที่มันโกรธก็หมดเนื้อหมดตัวไปอยู่กับความโกรธทั้งหมดทําไปตามความโกรธทั้งหมดจนมันอิ่มตัวจนได้ทะเลาะบวชแว่งจนทกจนเถียงจนกินไม่ได้นอนไม่รับไปอยู่กับความโกรธหมดเนื้อหมดตัวกลัวที่จะมันจะคลายออกมากว่าที่มันจะอิม่ม บางคนก็แจได้บางคนก็แจไม่ได้ถึงกับฆ่ากันตายดา่าทะเลาะบอกแย้พูดศจ่าเสียเทเสียข้ามบ้านข้ามเมืองไม่มีกว่ามละายพอมันหายโกรธก็เอาเอาแล้วปิดประตูบ้านสองวันสามวันละอายคนอายผู้อายคนแต่มันอิ่มตั ว, เ พ, เ, ว, พ เ, ตวเพราะฉะนั้นเรียกว่าคนอาบับหมดเนื้อหมดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้เห็นมัน ข่าวใดที uent, monte, heaven, ่มันโกรธความโกรธมันจะมาสอนเราขราวใดที่มันทุกข์ความทุกข์มันจะมาสอนเราขราวใดที่มันดีใจความดีใจมันจะมาสอนเราขราวใดที่มันเสียใจความเสียใจจะมาสอนเราให้เราถือโอกาสนันศึกษามันลองดูความเห็นผิดนั่นแหละมันจะทำให้เราเกิดความเห็นผูกความทุกข์นั่นแหละมันจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ถ้าเรา อดใจมองให้ดูสักนิดนิดหนักแน่นหน่อยอๆ <c oughs> มันจะเข้าใจจะเห็นสัจธรรมขณะนั้นจะเห็นสัจธรรมขณะนั้นคล้ายๆก็ว่าธรรมชาติมันสอนเราเห็นจริงๆเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความหลงเห็นความดีใจเห็นความเสียใจที่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยเราก็จะ รู้จากมันรู้จากหน้าจากตามันก็เจียวข้องกับมันถูกเจียวข้องกับมันถูกการปฏิบัติธรรมการเจริญสติปัฏฐานแบบดูกายเคลื่อนไหวมันเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราเองในตัวไม่ต้องไปให้ใครตอบให้เราเราเห็นเองรู้เองจริงๆรรู้เรื่องของอารมณ์ก็รู้จริงจริงู้เรื่องของทุกข์ก็แจ้ทุกข์ได้จริงๆ ดูเรื่องของความสุขก็เห็นความสุขจริงๆมันไม่ถูกหลอกมันจะหลอกไม่ได้พอเร า, า, าศึกษาเรากลับเราปฏิบัติได้เห็นสัจธรรมอยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อกี้เมื่อก่อนนี่หลวงพ่อได้พูดว่าถูกเขาด่าก็ได้ตัดสู้ธรรมเหมือนกันได้เห็นสัจธรรมเหมือนกัน โผลเราโกรธขึ้นมาเองก็เห็นสัจธรรมมือนกันคนอื่นทําให้ปรุงแต่งขึ้นเองก็เห็นเหมือนกันมันมีพอๆกันเพราะฉะนั้นการเห็นสัจธรรมอย่าไปศึกษาที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นนอกตัวไม่ใช่ไปศึกษาที่หนังสือตํำรับตาราโดยเฉพาะชาวบ้านที่มีหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมียญาติพี่น้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมีหน้าที่การงาน ทำ ง, งานขโมยกมิดนั่นแหละศึกษามันลองดูวใช่มาศึกษาที่วัดวิช่มานั่งสมาธิหาที่สงบบางทีที่ไม่สงบมันจะเป็นที่สอนหลาบางทีที่สงบมันก็อาจจะอาจจะเป็นที่ที่สอนเราได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามองให้เป็นผู้มองผู้ดูมันจริงๆที่ไหนก็ได้ที่ไหนได้เท่านั้นถ้าทำแบบหลวงพ่อว่านะ พอหลองความารู้อย่างนี้จริงๆอ้าวใช่ชีวิตประจําวันมันเป็นไปเลยไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ต้องมาทํากําหนดอย่างนี้ก็ได้ใช่เป็นการชีวิตประจำวันไปเลยมันก็มีที่ให้เราศึกษาอยู่ทุกคนทุกแห่งไปมันมีทั้งผิดมันมีทั้งถูกอยู่ในนั้นการใช้ชีวิตประจำวันธรรมชาติมีสองกันเท่านั้นคือกายกับใจกายมันจะทำอย่างไงใจมันจะทำอย่างไง สติสมญญะเป็นผู้ดูมันตลอดเวลาให้เป็นผู้ดูมันเหมือนกับว่าเราเดินทางตัวสติที่เป็นตัวผู้ดูมันนั้นมันเป็นดวงตาภายในอุประมาเหมือนเราเดินทางเราเดินทางจากบ้านมาวัดทําไมเราไม่เหยียบน้ําลงคลองสะดุดหลักต่อทําไมเราไม่หลงเพราะเรารู้ข้าได้ที่ก้าวผิดไป ก็รู้จักหลบหลีกเองถ้าเก้าถ้ากล้าไปทางใดที่มันปิดก็ลูกเองมันบอกมาเองชั้นใดก็ดีการจเจริญสติปัฏฐา น, นการก็ถ้าเราเป็นผู้ดูถ้าเราเป็นผู้ดูมันอยู่ไม่ใช่เราเป็นผู้เป็นมันก็เหมือนกับว่าการเดินเห็นอะไรบ้างเห็นกายที่มันเคลื่อนไปเห็นใจที่มันคิดมันจะแย่งไปทางอื่นก็ขับมามาเป็นผู้ดูมันดูมัน ถ้าเราดูมันมันก็เห็นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิดเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นความทุกข์เห็นความสุขเห็นความดีใจเสียใจเมื่อใดเราเป็นผู้เห็นนั่นแหละเราเดินทางแล้วแม้แต่นั่งอยู่ก็เป็นการเดินเดินภายในเดินทางจิตทางใจถ้าเราถ้าทาวใดที่เราไปเป็นมันเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์แม่ท่านเดินจงกรมอยู่ก็ไม่ใช่ว่าท่านเดินท่านสยบแล้ว พันหยุดแล้วสั้นสยบกับบันไดอันหนึ่งยอมมันแล้ไม่ได้เดินไม่ได้ก้าวไปไม่ได้ไหลไปไม่ได้ถ่ายไปเทไปสู่มรรคสู่คนไม่ใช่อยู่ในองค์มรรคคำมรรคก็เนี่หลวงพ่ออยากจะบอกสั้นๆว่าเป็นผู้ดูมันมันโกรธขึ้นมาก็ดูมันอย่าเป็นผู้โกรธมันง่วงขึ้นมาก็ดูมันอย่าเป็นผู้ง่วงทีบตัวออกมามันดีใจก็ดูมันอย่าเป็นผู้ดีใจ มันเสียใจก็ดูมันอย่าเป็นผู้เสียใจให้เป็นผู้ดูมันมเกี่ยวข้องกับสิ่งใดกับสิ่งแวดล้อมในบ้านในเมืองบางทีลูกหลานมันวุ่นวี่วุ่นวายเปิดด้วยทิโยโทรทั์อะไรต่างๆไม่ได้ดังใจเราบางทีใจเราก็แสวงหาชุกสนไปอยู่กับโ น, น่นไปอยู่กับนี่จะเอาอย่างนั่นจะเอาอยะนี้จะทำให้มันถูกใจเราบางทีเราทาให้ถูกอย่างนี้มันไม่ถูกหมดทุกอย่าง ใจจริงๆมันไม่มีตัวไม่ตนมันเป็นที่พึ่งได้เฉพาะสติสมัญญะอย่าไปเชื่อมันหมดทุกอย่างกิดใจนี้บางทีความรักคนที่เราลักอาจจะกลายเป็นคนที่เราโกรธบางทีคนที่เราโกรธอาจจะกลายเป็นคนที่เราลักก็ได้สิ่งที่เราหวังแหนอาจจะเป็นสิ่งที่เราเบื่อที่สุดก็ได้บางทีเพราะฉะนั้นตัวสติสมัญญะเป็น ตุลาการเป็นผู้ที่เที่ยงทําดูทักท่วงมันอยู่เรื่อยเคยพูดอยู่เสมอว่าตัวสติสมัญญะจริงๆนั้นก็คือตัวที่ทักท่วงเหมือนกับพ่อแม่ทักท่วงลูกพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตัวเล็กๆกอดอยู่ในอกบ้างวางลงบางโอกาสบ้างนันคานไปโน่นไปนี่ก็ทักท่วงมันดามันบ้างมันจะจับปืนจะไปก็บอกมันบ้าง มันจะพางไปลงตกบ้านตกเรือนก็บอกมันบ้างมันจะกินชีหมูชื่อหมาก็บอกมันบ้างมันจะจับสิ่งที่มีพิษเปนอันตรายก็บอกมันบ้างอันชัดใดก็ดีตัวสติสมัญชะคือตัวที่ทับท่วงทับท่วงการกระทําของกายทับท่วงการกระทําของใจมันจะซุกซนไปทางไหนรู้มันเห็นมันทับท่วงมันอยู่เรื่อยเมื่อเราทับท่วงมันอยู่เรื่อย มันกล็ละอายยอมรับเปิดเผยออกมาออกมาจริงๆรู้จริงๆเชื่องจริงๆไม่พยดจริงๆเหมือนกับเราสอนลูกสอนหลานให้ทำกับข้าวให้ทำงานบ้านทําอะไรต่างๆที่มีฝีมือฝีมือทั้งหลายศิละปะศิละปะทั้งหลายเพราะมีผู้สอนผู้สอนกายผู้สอนใจคือสติสมัมปชัญญะไม่ใช่หลงพ่อเทียน ไม่ใช่ใครที่ไหนตัวสติสมัญญาที่อยู่กับท่านนั่นละดูมันให้มันเห็นสัจจะธรรมก็ม่อยู่ที่นั่นแจนแท้ของชีวิตก็ม่อยู่ที่นั่นให้เราดูที่ตรงนั้นละมันจะตอบเองเห็นเองไม่ใช่คนอื่นตอบให้วิธีที่แนะนำการให้เข้าถึงสัจจะธรรมไม่ใช่แนะนำไปอยู่ที่ไหน ความโลภความไม่โลภก็มีอยู่ที่นั่นดูมันเถอะความง่วงความไม่ง่วงก็อยู่ที่นั่นความคิดฟุ้งซ่านความไม่คิดก็อยู่ที่ตรงนั้นความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆมันมีอยู่ทุกอย่าแม้แต่ถูกขอด่าก็มีสัจธรรมอยู่ที่ตรงนั้นถูกการเจ็บไข้หรืป่วยก็มีสัจธรรมอยู่ตรงนั้นพัดพาดจากของรักของชอบใจก็มีสัจธรรมอยู่ที่ตรงนั้นเราทักท้วงมันอยู่เรื่อยเห็นมันอยู่เรื่ยตามความเป็นจริง การใช้ชีวิตประจาวันจะเป็นนักปฏิบัติอยู่ทุกเวลานาทีไม่ใช่จะมาวัดสนามในมาเดินจงกรมเท่านั้นถ้ามาอยู่วัดสนามในมาเดินจงกรมไม่ได้ทักท้วงมันไม่ได้เห็นมันบางที ม, มาคิดมาครุ่นคิดไม่รู้จะปล่อยความคิดออกไปได้โอกาสมากมาคิดอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์ตาท่านทั้งหลายที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอยู่กับบ้านกับเรือน อาศัย ส, สิ่งแวดล้อมเป็นการฝึกหัดเห็นลูกเห็นหลานผิดหูผิดตาฝึกหัดลงไปดูมันลงไปแก้ไขได้ลงไปแต่หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าคนขับรถชั่วโมงที่มันเป็นคือมันแก้ได้ถ้าขับรถชั่วโมงที่มันแก้ไม่ได้เรียกว่าเขายังไม่เป็นยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีประสบการณ์ถ้าเขาแก้ได้ช่วงที่ จะเกิดอุบัติเหตุเขาเจได้อันนั่นเป็นช่วงที่เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันช่วงใดที่แก้ไม่ให้เป็นทุกข์ในคราวที่มันจะเกิดทุกข์ในคราวที่มันจะโกรธแก้ไม่โกรธในคราวที่มันจะทุกข์แก้ไม่ทุกข์นั่นเรียกว่าเขาปฏิบัติธรรมเขากําลังจะเป็นจะเป็นจะเป็นจะมีศิละปะขึ้นจะมีศิละปะขึ้นจะแก้ได้ขึ้นจะเก่งขึ้นไปจากชันนี้จานานจะคล่องแคล่วขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นวิธีที่แนะนำการให้เข้าถึงสัจธรรมตามความคิดเห็นของปัตมาแล้วแล้วก็ประสบมาอย่างนี้จริงจริงเห็นมาอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงนะเห็นสัจธรรมรู้ทาไม่ใช่ไปรู้นะถูกเขาด่าถูกเก็บไข้ได้ป่วยร่างกายสุขภาพไม่ปกติก็เห็นมันเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เห็นมัน ทุกอย่างไม่มีที่ว่ามันมีสัจธรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดแม้แต่เรื่องของกายเรื่องของใจมันอยู่ที่นี่นทั้งหมดเพราะจะนั่นวิธีจเจริญสติปัฏฐานตังที่หลวงพ่อได้แนะไปขี่นำมาเกีย่ยวกับการปฏิบัติธรรมเกี <c oughs> ย่ยวกับการแนะนำมาเห็นสัจธรรมอย่าไปแสวงหาที่อื่นลองตั้งต้นดูมัน ดูกายกับใจสองอย่างนี้เท่านั้นละ่ะไม่ใช่ไปเห็นนันดืดเห็นสัจธรรมก็คือเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างมันเป็นกุศลเราก็ดูมันมันเป็นอกุศลเราก็ดูมันขอให้เราเป็นผู้ดูมันอย่าไปเอาอะไรทั้งหมดอย่าไปเป็นตัวเป็นตนอะไรทั้งหมดมีสติสมัญญะรู้ตัวท่ ว, วพร้อมอยู่ตลอดเวลา ท่านเองก็จะได้ประสบพบเห็นกับความจริงที่มีอยู่ในชีวิตเราทุกครั้งทุกคราวไปชีวิตของเราก็จะมีค่ามีราคาใช่ได้คือประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการที่มีกายมีใจท่านอยู่กับบ้านกับช่องศึกษาไปเรื่อยๆอย่าไปสยบกับอันใดอันหนึ่งขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าการใดที่มันโกรธขึ้นมากวามไม่โกรธต้องก็มีอยู่ที่นั่นอย่าเพิ่งไปหมดเนื้อหมดตัว อะไรที่มันทุกข์ก็จะไปหมดเนื้อหมดตัวกับความทุกข์ความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่ที่นั่นลองแบ่งมาดูมันดูถอนออกมาเป็นผู้ดูมันมันจะได้คําตอบทันทีตอบได้ทันทีเมื่อท่านตอบได้ถ้าพูดภาษาธรรมา ก, ก็เรียกว่าตัดสลูตัดสรูคือการตอบได้พ่นออกมาได้ลุดออกมาได้ไม่ใช่ตัดสลูจะเป็นสีเป็นแสงอะไรขึ้นมาไม่ใช่หรอก ถ้าท่านมีทุกข์อยู่ท่านหลุดออกจากทุกข์ได้ท่านตอบออกมาได้โอ้ถ้าท่านเว่าโอ้เห็นมันจะ น, นี่นั่นแหละท่านตัดสรู้เลวตัดสัรู้น้อยๆรู้น้อยๆพ้นทุกข์น้อยๆท่านก็ตัดสั้นรู้น้อยๆจนมากขึ้นมากขึ้นจนตัดสัรู้ตามพระพุทธเจ้าเห็นอริยสัจสีตามความเป็นจริงนั่นแหละหรือตอบได้หลุดออกมาหลุดออกมา ไม่ไปอยู่กับความโกรธไม่ไปอยู่กับความหลงไม่ไปอยู่กับความทุกข์ไม่ไปอยู่กับความดีใจเสียใจลุดออกมาได้จริงๆเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นท่านก็จะมีอิสระไม่ถูกครอบมาําอย่างอีกจิตใจก็จะเป็นอิสระภาพปลดปล่อยออกมามันก็ลุดออกจากกรงเรื่องเหล่านี้เราลูกเองเห็นเองทําเอาเองก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับอาทิตย์นี้ ก็เท่าที่แสดงมาอก็เป็นภาคบรรยายต่อไปนี้เราจะพาท่านทั้งหลายลองทําเป็นรูปแบบลองดูแล้วก็จะเห็นเหมือนอหลวงพ่อว่าไหมแต่หลวงพ่อเห็นทีแรกเนี่ยเห็นนิวรณ์ธรรมเห็นความง่วงบ้างเห็นความลังเลสงสัยบ้างเบื่อหน่ายคลายความเพียนบ้างอึดตัดกระเทืองบ้างเห็นอย่างนั้น การที่หลวงพ่อเห็นต่อมาก็มาเห็นโลกเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นราคะโทสะโมหะเห็นการปรุงแต่งเห็นมันชิดปรุงแต่เห็นไปเห็นไปจนหมดที่ให้ดูมันมาจบลงอยู่ที่ขันห้าเมื่อใดขันห้าไม่ปรุงไม่แต่ <c oughs> เมื่อมาจบตรงที่นี่ไม่มีอะไรที่จะให้เห็นอีกหมดแล้วเปิดเผยหมดในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีสิ่งให้ดูดูไปทีไรก็เห็นเฉพาะนี้จะคน้นทะลอยหาทอะไรก็ไม่เจอมันหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้ลองกําหนดดูสัมผัส ด, ดูกับตัวสติสมชัญญะจริงๆ ต้องข้ออยากจะให้เราทั้งหลายนี่เปลี่ยนในบทชนิดหนึ่งการเปลี่ยนในบทนี่ก็ให้มีสติรู้รู้เสียก่อนประกอบพิกปลายนั่งท่าใหม่ในรูปตัวตามมันดีดีวางจิตวางใจให้สดชื่นชื่นบานดีๆอย่าบังคับตนเองอย่าคมจิตสมใจตัวเองวางจิตวางใจให้ อ่าสบายหายใจลึกๆจิตใจกว้างๆเปิดเอาไว้ให้หมดอย่าให้มันอ้อมค้อมวางหน้าวางตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าไปคิดเรื่องยุ่งยากๆการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายทําง่ายๆทําง่ายๆกับมักง่ายคนละอันกันเขาว่าง่ายๆเนี่ยให้เราลองดูมักง่ายกันหรอกถ้ามัดง่ายนี่ยผิด ถ้าง่ายๆนี่ถูกง่ายๆคืออะไรคือทำใจสบายมือวางไว้บนเข่ามือวางไว้บนหัวเข่าทั้งสองให้ความรู้สึกอยู่ที่มือทั้งสองข้างเอาตาในคือสติสัมปชัญญะรู้รั้วมือระวังอยู่ที่เข่าไม่ต้องเอาตาดูเอาความรู้สึกดู แล้วกำหนดลงไปที่มือข้างขวาด้วยจากข้างขวามือไหมรู้ละแต่แขงรู้รู้ไหมให้รู้ให้รู้มือว่าแต่แขงอยู่แขงจริงๆนะไม่ได้คิดนะเห็นอยู่นี่แต่แทีไยกขึ้นรู้ไหมที่มันยกนี่มาใช่ตาดูนะ หลับตาดูก็ยังเห็นยกอยู่นี่มันยกอยู่นี้ไปจะว่าหลวงพ่อเอามือว่างไว้บนเข่ามันไม่ใช่มันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หลงพ่อหลับตาดูก็เห็นอ่าแต่เนี่มากบที่สะดือมานี่จริงๆเห็นอยู่หลวงพ่อเห็นอยูอ่พวกเราทั้งหลายแต่ว่ามือหลวงพ่อข้างขวาอยู่เขา่าหลวงพ่อไม่เชื่อก็อเห็นอยู่นี่เห็นอยู่นี่ต่อมามากําหนดมือข้างซ้ายนี่ เอากายนี่เป็นนิมิตให้สติมันอยู่ที่นี่เอากายเอามือเนี่ยเป็นนิมิตอยกขึ้นยกแล้วนะเนี่ยหลวงพ่ อ, อยกจริงจริไม่ใช่บอกเฉยๆหลวงพ่ อ, อยกจริงจิงหลวงพ่อมือมากรกันที่นี่รูอืมมือทั้งสองข้างมาอยู่ที่นี่แล้วนะรู้อยู่ไม่ใช่วางอยู่เขาใครจะว่ามือหลวงพ่อวางอยู่เขาไม่เชื่อเด็ดขาด พอ เ, เห็นอยู่เมือนดาดูก็ เ, เห็นรู้สึกแล้ระลึกได้อยู่เลื่อนมือขึ้นมาหน่อยนึงอืมเรื่อนแล้วเนี่ยยกออกไปรู้รูดแนะวางลงยังไม่ถูกอะไรมาแย่งนะตอนนี้นะยังเห็นอยู่ความง่วงความง่วงก็ยังไม่มาวางลงรู้เลื่อนมือ ขึ้นมาน่อยนึงยกออกไปวางลงนี่ก็เห็นขณะที่มันลงถูกนี่ก็รู้สึกว่างลงก็รู้สึกบู ก, กี้นีนหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่นี่กับมือกับกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ได้ผูกความห่วงมาแย้งออกไปไม่ได้คิดไปทางอื่นอยู่นี่อยู่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่อย่างนี้สัก ชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนาทีจิตมันจะเชื่องลงจงมันจะลู้ได้ไง่ายแต่ว่าถ้าทำไปทำไปถ้าทำไปทำไปบางทีมันใช่รีบทนานเกินไปมันเคยชินมันก็พลิกไปพลิกมาแต่ความรู้สึกไม่มีก็วางมือไม้หายใจลึกๆตั้งต้นใหม่ หายใจลึกๆมองต้นมองให้รู้สึกตัวซะ ก, ก่อนอย่าไปทํากับมันทามันไม่ชัดอย่าไปคุมไปคุมเครืออยู่กับมันวางเอาไหมตั้งต้นไหมเมื่อกี้มันง่วงมันจะสะพงกมันจะคิดอะไรไปวางมืลอลงตั้งต้นใหม่หายใจลึกๆแรงๆอย่าไปอ่อนซ้อยนะยแข็งแรงตั้งๆชื่นบานใจมาดีๆเรากําหนดมาอีก ตำอกจค่ อ, อ, ๆอยๆนี่ดูซิรู้ไห ม, มรู้ทำไมจะไม่รู้วางนี่ดูซิรู้ถ้าทาไปทาไปทาไปทำไ ป, ำ ไ, ป, ไ, ปไม่ได้ทำจังหวะให้ยาวเกินไปก็ได้หลวงพ่อทำหลายแบบนางทีทำไปทำไปมันสร้างจังหวะมันยาวแล้วมันก็วางลง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 แก้ให้มันชัดเหมือนกับขณะนี้คนทวีเจียติกำลังถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยถ้าคนทวิเจียติทวิเจียติถ้ามันไม่ชัดคนทวีเจียตคืนถ่ายลงไปมันก็ได้ภาพที่ไม่ชัดมันไม่สวยงาตอนนี้คนทวีเจียติกําลังจะเล็งให้มันชัดจะต่อไรบ้าถ่ายไปถ่ายไปมันกองงามมันก็สวยดิการเจริญสติก็เหมือนกันให้มันชัดมันมีมุมชัดอยู่ถ้ามุมไหนที่ไม่ชัดก็เรียกหามุมใหม่เอาไหม ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ชัดแล้วนะตองจังหวะมันไม่ชัดแล้วนะออยืดตัวขึ้นออกไหมให้มันจะชัดดู้ไหมรู้หายใจเขา้ายืนขึ้นเดินไปลองดูถ้าเดินมันชัดอยู่กั บ, ก, บการเดินก็ได้ถ้าเดินมันเริ่มจะพลาดเรากน็นั่งลงหอ่อยขาเหยียดขาซอยขาขัดสมาธิได้ทั้งนั้นให้มันชัดชัดคือการกระทําของเราแบบการเคลื่อนไหวเพื่อให้มันเห็นชัด ให้สติมันรู้เห็นชัดๆไม่ใช่ทําเป็นวิธีการเฉยๆเพื่อให้มันชัดๆขึ้นมาท่านจะอยู่ที่ไหนล่ะท่านถ้ามันชัดอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บนรถเมล์ก็ได้อะ น, นั่งอยู่บนรถเมล์กำหนดนั่งกระดิกนิ้วความใจชื่นบานอยู่เรื่อยๆรู้สึกรู้สึกรูมันชัดอยู่ที่ไหนได้เท่านั้นอยา่าเผลอช่วยโอกาสทันที ให้มันเกิดความเคยชินขึ้นมานการสร้างจังหวะแบบกายเคลื่อนไหวเพื่อมองให้มันชัดถ้าเราเห็นชัดเลื่อยชัดเลื่อยชัดเลื่อยเรื่องมันก็ไม่ยากมันก็ง่ายขึ้นมาบางคนไปคลุมเครืออยู่กับอาการที่มันไม่ชัดสร้างจังหวะไปก็นั่งสปงกไปดันไปดันบางทีคู่เขินไปเห็ุจังจะโนไปไงเนาะ แต่บางทีไปเห็นไปนั่งสร้าไปพูดไปคุยไปมันไม่ชัดเมื่อใดมันไม่ชัดท่านก็จะเสียเวลาเสียเนปใสเป็นอุปาเปนปใสไปเลยทําปอกแปดปอกแปดปอกแปดปอกแปดคุยกันเรื่อยไม่เกิดประโยชน์เพราะยาไปคืนทำํำย่าทําเล่นยาไปทําเล่นมันชัดชิดชิดลง ม, มันไม่ชัดเลห็นสอ 1, 2, นับออกมาดูก็ได้่มแรกกับบริกรรมลองดูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าอย่าไปนับจนตลอดไป เมื่อมันรู้จังหวดีก็วางอาการบริกรรมออกมากาหนดรู้รู้ไปรู้ไปให้มันชัดมันชัดมันชัดเพราะฉะนั้นบางคนเจ็ดวันเห็นรูปเห็นนามเข้าใจรูปทมนามบางคนเดือนบางคนปีพอไปฝืนอยู่กับความที่ไม่ชัดเลยเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยก็ด้านละต่างีงี้ยด้านเพราะฉะนั้นท่านเริ่มใครก็ตามเริ่มใหม่ตั้งแต่บัด น, นี้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 พูดจากสิ่งที่มันผิดเคยทำมาเคยผิดมาจนหอบนี้ไม่หมดสิ่งที่ทําให้ผิดก็เลยทำให้มันถูกมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่มีสูตรสำเร็จแน่นอนไม่ใช่แบบพุทธโธหรือไม่ใช่แบบจูบหนอพองหนอไม่ใช่แบบสัมมาละหังไม่ใช่แบบอานาปานาสติไม่ใช่แบบสติปฐานแบบการเคลื่อนไหว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 ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ดีสนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรจเจริญลาอารทธายที่สุดนี้ก็เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงได้ประสบพบเห็นกับสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวเรา ด้วยกันทุกๆคนเธอต่อไปนี้จะ <c oughs> มีปัญหาอะไรก็ถามกันธะสำหรับการปฏิบัติถูกอะไรแย่งไปบ้างมากกว่าเขากว่าม่วงหรือแย่งอาไปเจงความคิดมันเจงอะไรแล้วก็ถาม ไปอยู่ที่ไหนก็มันไม่หนีไปจากนี้หรอกความง่วงนอนความลังเลสงสัยความคิดปุ่งสาบมันแย่งหนี้จากสติสมัญญาแบบเตอร์สมาธิสมานาบกุทโธกุทโธนี่เปรนียบแบบดังหลา น, นอะไรเป็นสิทธิ์เป็นอย่างไรเดาได้ แบบพุโทโธพุธโทโธนั่นเรียกว่าบริกรรมบริกรรมแบบการเคลื่อนไหวในเป็นการเจริญสติตัดบริกรรมออกให้มามีสติดูรัดมาหาความรู้ซึกมาสัมผัสกับตัวสติไม่ใช่ไปบริกรรมบริกรรมนี่มันถ้าจะพูดเดินทางจากกรุงเทพไปถึงคอนเจน บริกรรมเนี่ยาายังอยู่สระบุรีถ้าพกำหนดลู่ซึบตัวมันอยู่คอนเทนเลยทีเดียวลัดไปถึงนู่นเลยไม่ต้องมามัวอยู่ที่นี้พอเราจะเริ่มจะสติก็ให้มันได้สติทันทีเลยไม่ต้องมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบางทีอะไก็เคยตัวไปบางทีหลวงพ่อดำนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบางีก็โกรธไป ความโกรธยังมีอยู่ยังว่าพุทโธพุทโธยงังถ้าทั้งที่มันโกรธอยู่ก็ยังว่าพุทโธพุทโธพุทโธบางทีกลัวผีกาพุทโธพุทโทั้งๆที่ความกลัวมันมีอยู่นั่นเรื่องการบริกรรมถ้าหลงวงพ่อถ้ามันทั้งมันโกรธเห็นมันอืถ้ามันกลักวก็มาก็เห็นมันอืมันเข้าไปได้แก้ได้จริงๆการบริกรรมนี่คือมันมันยังไม่ถึงตัวสติจริงๆพอเราเจริญสติกัน เราก็เคยเอามาก่อนอยู่แล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ทำท ม, ม, มาแล้วยทำตั้งแต่อายุสิบปีจนถึงอายุ29ปี30ปีไม่เบปีไอะไรี่ยวกับอะไรก็อ่าก็เวลาทำก็สงบดีติดนิมิตเป็นหมอแล้วแต่สมัยก่อนเป็นหมอน้ำมนเป็นหมอเครื่องรางของขังไปนะ่ะพริกรรมจนตัวใหญ่ครับห้องนอนบ้านน้องก็ก็ว่างมนทนนี่ก็ สามเมตรครึ่งเวลาบริกรรมให้ตัวใหญ่มันก็ใหญ่จนคับห้องอ่ะตัวฝาจะแตกก็ออกมาบริกรรมให้หนังเนื้อมันแข็งอันนังมันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเห็นมีดนี่มันปิ้วอยู่อย่างนี้บริกรรมบริกรรมย่อมเจ็ย่อ ม, อมใจไปไงมันไปอย่างนั้นแลยบางทีมันก็บริกรรมเป็นหมอรักษาคนเจ็บคนได้ป่วยเราเรียกตัวคนนั้มาให้มันนั่งอยู่ตรงนี้บริกรรมว่าไป ว่าคาถาไปทําทุกอย่างไปก่อนมันไปเล่นอยู่กับนี่แต่ทุกนี่ไม่ได้แต่ต้องเลยทุกเท่าไรยังมีอยู่เหมือนเดิมโกรธก็ยังมีอยู่ความหลงความโกรธจิตใจฟูฟูแฝบแฝ บ, แบยังมีอยู่ยิ่งย่อมใจให้โกรธง่ายพราะตัวเองเป็นคนเจ๋งไม่กลัวสัตาวุฒคิดว่าตัวเองอยู่โยงของกัพันก็ยิ่งดื้อไปท่านอง แต่พอมาทําอี่ยนี้มันก็ไปเล่นเจ้างานความโกรธความโลภความหลงความทุกข์หมดไปแต่เล่นสมัยก่อนมันไม่แตะต้องความโกรธความโลภ ค, ความหลงพอมาทำเนี้่ยโอ้เห็นรูปเห็นนามเขาก็กระเทือนไปแม้แต่ความโลภกระเทือนไปถึงความโกรธกระเทือนไปถึงความหลงพอเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงกระเทือนไปหมดเลยความโลภความโกรธความหลงหาที่ตั้งไม่ติด พรมันไม่มีตัวมีตนมันมีแต่รูปกับนาแต่ก่อนเรามีตัวมีตนเต็มที่ถ้ากูชอบกูโกรธถ้ากูโกรธเราก็กูพอใจกูไม่พอใจไเดี๋ยวนี้โอ้อันนี้มันไม่มีอะไรอันตัวว่ากูโกรธกูโลภกลู้ลงมันเป็นตัวสังขารที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยมันเป็นนามธรรมามันรู้อยนะั้นก็โมนี่ก็อ่อนไปผลที่สุดก็ ไม่มีที่ตั้งตอนที่หลวงพ่อทำบริกรรมที่ตัวใหญ่ทับท้งองมันใหญ่จริงๆหรือว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วที่รักษาโรคมันรักษาได้จริงรักษาบางทีก็หายบางทีก็ตายเหมือนกัน <laughs> แต่มันก็มีส่วนเหมือนกันเพราะเขาเชื่อเราอย่างสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นหมอตําแยเนี่ย ทั้งท้งที่หลวงพ่อไม่มีวิชาความรู้ด้านหมอทำแย่หลวงพ่อไปค้ำดูท้องเขาทั้งทั้งที่หลวงพ่อไม่รู้หลงพ่อเอ้มันดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมันกําลังเบี่ยงกำลังบายลงไปแนละ้วคนที่มันเจ็บมันก็ดีใจความดีใจของเขาเองมันทําให้เขาปกติทําให้ลูกมันหมุนลงสู่ท่าดเร็วเพราะบางทีหลวงพ่อก็ทํานํามนต์ให้กินลูกหัวลูกหังไปมันก็ดีใจขึ้นมาสาเหตุความดีใจการที่มันเพึ่งพาใส่หรอ อันนี้แหละเป็นอันหนึ่งที่ทําให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่าอย่างนี้ขายเพราะทาใจนะครับไม่ได้หายเพราไอ้น้ำมันหายเพราะทางใ จ, งลอองใจแล้วก็มีพิธีกรรมช่วยมากพ่อก็มีคายมีทู่มีเทียนให้เขาอยกคูยกคายทําอะไรดีๆีหลายอย่างเป็นพิธีกรรมตอตั้งคายเพราะเขาเห็นคายเขาก็คายแล้วก็มันพึ่งในนั่งแทนหนึ่งให้คนอีกนั่งแทนหนึ่งไม่อะไรเยอะแยะ พอเขาเห็นใครเขาก็ศรัท ธ, ธาเขาก็กลัวคนเด็กคนเล็กก็เห็นแล้วก็กลัวพอรู้ว่ามันดีมันศักดิ์สิทธิ์เขาก็เชื่อไปความเชื่อทําให้เขาหายจากการเจ็บไข้ทด่ป่วยแต่โรคนิ้วโรคมะเร็งอย่างสมัยทุกวันนี้มันคงไม่มีแหละสมัยก่อนบางคนยั ง, งโง่บางทีไปเห็นตู่ผีอยู่ในดงในป่าคิดว่าผีมาทําก็ะชีดตรงแตงเกิดเจ็บไข้ทด่ป่วยขึ้นมาบอกว่าเราไม่กลัวผี ที่มาทำอะไรเราก็ทําไปทำไปเขาก็พึ่งเราจริงๆเราหลอกเขาทั้งนั้นเลยหลอกข้างนั้นเลยแต่ห<ม>ลวงพ่อก็ไม่ได้เชื่อว่าหลอกเขานนะึกว่าหลวงพ่อก็นึกว่าหลวงพ่อดีวิเศษจริงๆไม่ได้เชื่อว่าหลอก<ม>แต่มาพอลูกพอหลวงพ่อเทียนมาสอนหลวงพ่อโอ้เรานี่มันหลอกเขาจริงๆอันนี้หลวงพ่อทำไม่ลงที่ลูกศิษย์ต้งหาเก่าๆก็อยากจะให้ทําเหมือนกัน บางคนยังเขาแหนทองมาให้ทำกระตุดยิ่งแล้วผู้หญิงที่มีทองมีคันเนี่ยเห็นหลวงพ่อไปเนี่ยให้หลวงพ่อทำกระตุดให้ออกลูกง่ายนี่กำไมแต่แล้วหลวงพ่อก็ททำแบบไม่เป็นความจริงก็เห็นลูกเห็นนามตามความเป็นจริงเห็ไหมโอ้ลูกก็คือกายนี่แหละส่วนลูกนามนะ นามก็คือจิตใจเท่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแตง่งมันดีมันชั่วมันดีใจมันเสียใจเพราะเหตุเพราะปัจจัยอันนี้ว่ารูปนามนามมารูปก็นามมารูปรูปที่เกิดจากอริยธรรมเกิดดีใจเสียใจเพราะตาเพราะหูเกิดดีใจเสียใจเพราะลูกรดกินเสียงนั่นก็เป็นรูปนามนามนามารูป เพราะเรามันจะเกิดอยู่อย่างนั้นอาณัติไม่ไม่ใช่ตัวใช่ตนความดีใจที่เกิดจากการปรุงแต่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นลูกเป็นนาำหาที่ตั้งไม่ไมีเกิดทันแล้วมันก็ดับไปเพราะว่าความโกรธใครเคยโกรธเป็นสิบปียี่สิบปีมีไหมยอยู่ที่นี่แล้วเคยโกรธไหมอยู่ที่นี่นั่งอยู่นี่เคยโกรธไหมเฮ้ ย, ยผลวอก็เคยโกรธแล้วด้วความโกรธมันมีไหมตอนนี้มีไหม ไม่มีนั่นแหละเป็นรูปเป็นนามตามความเป็นจริงไม่มีตัวมีตนเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยแต่คนที่ไม่รู้จักมันตามความเป็นจริงถ้าเราโกรธก็นึกว่าเราตัวเราจริงๆริงวังคนทังกับพูดว่าถ้ากูได้โกรธถ้ากูได้โกรธแล้วสิบปีกูก็ไม่ลืมตายกูก็ไม่ลืมไม่ใช่หรอกลืมอยู่ไม่ได้ถ้าโกรธสิบปีเราตายแหละถ้าโกรธสิบหรือสองสมชั่วโมงก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเต็มที่แล้วคนเรา พอคนโกรธจะจะเน่นอนหายใจแปะแปะแ ต, ตายเลยคนนี้พวกโกรธมันไม่คิมีตัวไม่พอเพราะฉะนั้นคนเราไม่รู้มันก็เข้าไปอยู่กับมันถ้าเราเป็นพวกโกรธไม่ใช่กา น, นสิ่งนลนี้จะมาแตะต้องเราไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราเห็นมันตามความเป็นจริงความโกรธกร็เห็นสิ่งต่างๆตามความจริง แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อชาติที่แล้วหพ่อม า, ากันไหมหรือว่าคชาตินี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนพ่ออย่งสงสัยไม่สงสัยแลย้วหลวงพ่อเราลองว่าหลวงพ่อไม่ตกนรกแน่นอนหลวงพ่อเราไรับรองหลวงพ่อแน่ใจว่าจะไม่แน่ใจเราลองว่าไปทุกแน่นอนไม่สงสัยเรื่องตายเัืงเกิดไม่ตกนรกและก็ไม่ทําคลนชั่วไม่ทําให้ทุกเกิด ทุกไม่มีไม่เทาไม่เชื่อชาติหน้าชาตินี่ตายแล้วจะไปไหนเกิดแล้วจะไปไหนไม่ไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่สงสัยแล้วสวรรค์มีสามมีสวรรค์ก็มีนรกก็มีมรคนนี่าสลาวสวรรค์เดี๋ยวนี่แหละสวรรค์ที่ตายแล้วหลวก็่อเป็นรู้นะหลวงพ่อเห็นสวรรค์เดียว แต่วันตายแล้วไม่รู้จริงๆมาเพาว่าที่หลวงพ่อรู้นี่คสวรรค์ขนาดนี้สวรรค์ขนาดนี้เองขนาดนี้เองถ้าตายแล้วไม่รู้เหมือนกันตายแล้วไม่รู้งงนนเหมือ น, นกันแล้วหลวงพ่อไม่สงส<อ>ัยเรื่องตายแล้วไม่ไม่สงสัยแต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้เพราะรับรองเดี๋ยวนี้รับรองว่าไม่ตกนั่นรก okay. เรลองว่าไม่ทุกแน่ใจอยู่นั้นตลอดเลวลาจะเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนก็ไม่เป็นไรมั่นใจตั้งนั้นลบเรื่องสอนไม่สงสัยแ ต, แต่ทำไมหลวงพ่อถึงไม่สงสัยเรื่องตายแล้วพอห้ <c oughs> องพ่อรู้อยู่เรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บ เ, เรื่องตายรู้อยู่ตามความเป็นจริงรู้อยู่ตามความจริง <c oughs> ว่าทุกอย่าง เรื่เกิดก็รูปมันเรื่องตายก็รูปมันรู่วงหน้าอยู่แล้วถ้าพวกเราตายอยู่แล้วมีแต่ตายมันเกิดไม่มีตายอยู่แล้วลูปลูกก่อนมันอีกสมุดหลวงพ่อได้ไหมมาตัวนั่งไหน ม, มันต้องตายมันต้องมีมันต้องมัมนต้องละตัออนละทานหายไปตามเหตุตามปัจจัยหลวงพ่อก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมาเหี่ยวแห้งกันงกระดเนี่ยปี น, นี้ก็เหี่ยวแห้งลงตายก็ฝ่าออวันลงหลวงพ่อรูกก่อนมันอยู่แล้ว บางทีมันเจ็บใขรได้ป่วดขึ้นมาเรางพยิ่งมีกำไรชีวิตขึ้นมาท่นที่จะเป็นพวกเพราะเห็นความจริงของมั น, ม น, นไม่สบายนี่ดีกว่าสบายดีเพราะมันสอนความจริงใไงก <c oughs> ำไรชีวิตตอนนั้นจริงเห็นมันจริงไม่ได้ร้องโหนะบางคนถ้าเจ็บใขรได้ปวยเก้ดมาใจคอไม่ดีไม่เป็นอย่างนั้นหลวงพ่ถ้ามันเจ็บใขรได้ปวดเกิดมามดีแล้ยยิ้มแย้มแจ่มใส เห็นความจริงถ้ามันมีไม่เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์พกแก่พราะเก็บพอาตายเพราะอะไรก็ไม่เป็นทุกข์มันมีแต่ทุกข์ <c oughs> สภาวะทุกข์คือหิวการแก้ทุกข์หิวนี่คือการแก้ละไม่ได้แล้วพอก็ต้องกินข้าวต้องนอนต้องทายต้อง อะไรต่างๆมันกับคนทั่วไปแต่ทุกที่เป็นทุกเรียสัตว์หลงพ่อไม่มีส่วนทุกธรรมดาในมีเหมือนกันทุกคนบางทีนั่งนานๆก็ปวดเอวทำงานนานๆก็ปวดเนื้อปวดตัวบางทีตัวต่อมันต่อตอนนี่ยังแข็มยังงออยู่เนี่ยมันก็เจ็บมันกันมันไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะตัวต่อมาต่ อ, อยตวนน้ทั้งสามแม่มก็เจ็บเออธรรมดา ไม่ใช่ตัวต่อมาต่อยมันไม่เก็บมันจ่เก็บอยู่ขอนกัยตามความเปนเ่องของกายอีกทั้งเราก็กาดูซิมันยังบวมๆอยู่ในสองวันอย่งบวมๆมันอยู่มันอยู่เพดานของพระประธานราว่าไปเห็นพระประธานมันเศร้าเกินไปมันขี้ฝุ่นทางอีสานเนี่ยกำลังลมแรงฝุ่นตลกฝนไม่ลงแล้วฝุ่นมันพัดเอาลมมันพัดเอาฝุ่นขึ้นไปที่พระประธาน หลวงพ่อเลยเอาผาไปเค็ดไปถูถูไปถูมาก็พ้าไปปัดไปวีภ้าเนีมันไปถูลังต่อต่อหลวงพ่อก็เห็นเหมือนทีแรกนะแต่นี่ลืมไปไปถูลังตอดอกก็รวมเอที่นี่สามแม่พรเจ็บมืนกันไป็เ็ัคหลวงพ่อผมยังสใจนิเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติปฏิเสธไหว้ฮะคือต่อเนื่องจากวานนี้ครับวานฟัง ล้างหาแล้วพอกลับไปบ้านาเลยเกิดควารังเกงไม่แน่ใจคือมีอาจารย์ตัดชื่ออะนรว่าเล่าประสบการณ์เราที่บววันนี้ทำแบบขึ้นใหญ่แล้วท่านก็เกิดคล้ายๆจกบ้า น, นะปวดหัวโวดอะไรยุ่งไปหมดไม่แน่นเขาบ้านบ้านผมอยู่ไกลจากที่ถ้าเกิดไปทำแล้วมมีอาจารย์คอยแนะนำนี่เดีเดียไม่ไป แต่ไม alloy, ่ผมไม่ค่อยแน่ใจพ่อหลวงช่วยแนะนำก็ขออย่างเดียวอย่าลืมสติพ่อพูดเมื่อกี้นี่ถ้าฟังถ้าถ้าจำได้นะพ่อพ่อให้เป็นผู้ดูมันมันปวดขึ้นมาก็ดูมันมันมึนงงมันอะไรต่างๆยาเป็นผู้เป็นให้เป็นผู้ดูมันถ้าใครที่มันมึนงงขึ้นมาไม่ใช่แล้วถูกกันความมโนแยงเ้าไป เราก็ต้องดูมันเองกาหนดขึ้นมาลมาอยู่ตัวนี้มันอยู่กับตัวรู้สึกเดินดูบ้างเพื่อห น, นีออกจากความงงนะความปวดหัวความวินเวียนพ่อก็เคยเป็นให้เราเป็นผู้ดูมัน <c oughs> สมมุติว่าเดี๋ยวนี้เราดูกายใช่ไหมการที่หลักสูตรมันจริงให้ดูกายมันเคลื่อนมันไหว ที่นี่ส่วนนอกจากมันเคลื่อนมันไหวมันจะไปเจ็บไปมึนไปงงไปง่วงนอนไปปวดเสียนเวียนหัวก็ดูมันไม่ใช่ไปตามมันนะดูมันแล้วก็กลับมานี่เป็นผู้ดูมันเห็นมันก็กลับมาอย่าไปเป็นอย่าไปเป็นกลับมากำลังปวดหัวเนี่ยกลับมาอยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนให้บทไปมองให้แตามันคลุมกันไปจนเวียนจนมึนงงก็ดูเอาไป้ข้างนอก มองต้นไม้มองทิศมองทางกาหนดยกมือเล่นเล่นหายใจแรงแหายใจลึกๆืดไปทำจิตใจสบายสบายเปลี่ยนที่บทใหม่อย่าไปคุมมันมันก็อยู่ไม่ได้มันก็หายอุบายนะั่นะดีที่สุดเราจะมีอุบายยังไงที่จะเอาตัวออกจากอาการนั้นได้ก็ททำไปเถอะบางคนก็ พนามล่างหน้าล่างตาบางคนก็มือลูบตัวลูบหน้าลูบตาเหยียดขาเหยียดแขนยืดตัวหายใจลึกๆอมองทิศมองทางแล้วก็ค่อยมากําหนดใหม่อีกมันก็หายมันไม่เป็นนานแล้วมนหายเพราะนั่นมันมันเป็นอาการบางโอกาสเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ถ้าเราคลุมมันเกินไป ใจของเราที่มันเคยคิดร้ลยพอจะมากักมาเนี่ยมันก็หาทางออกมันก็ดิ้นมอนก็เราจับวัวจะบฝายจับสัตว์จับมูงจับม้าจับแมวถ้าปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติก็อยู่ของมันเพราะถ้าเราไปจับมันลู่จักว่าถูกจับก็ดิ้นเหตุที่จับมันอ่ะจะได้สอนมันให้มันดิ้นลงไปดิ้นทีไรก็ลู่หัดมันไปมันก็เชื่องลงเชื่องลง หัวควายที่ไม่เคยจับมันก็ไม่เชื่องหัวควายตัวใดที่จับมันบ่อยๆก็เชื่องลงไถน้าได้อเข้าล่อเข้าเกวียนเข้าขาดเข้าไถได้ใจของเราบางครั้งมันตื่นไปเถอะตืนไปไหนก็ช่างมันก็พยายามยืนหยัดอยู่กับความรู้สึกนี้ให้รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ออกไปบองทีมันหาหนีก็มีนะถ้ามันไม่พอ มันชวนหนีชวนเข้าบ้านชวนไปโน่นไปนี่อยู่ไม่ได้อยู่ที่นี่ลําบากอึดอัดขัดเคืองอมันรั่วอะไรอันนนท์ก็ยังไม่เสร็จนนี่ก็ยังไม่เสร็จการบ้านการเมืองยังไม่แล้วทีแรกตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติแจะมาอยู่กับหลวงพ่อสักพรรษาหนึ่งสักปีหนึ่งพอมาอยู่ในสีชาหวันเอาแล้วถูกมันตรงมันแตง่งบุญวิ่งบุญ บ, บายอะไรนั้นก็มีทุกมันหลอกไปตรงนี้ท่านอย่าไปเชื่อม ง, ง่ายๆให้เป็นผู้ดูมัน <c oughs> ให้เห็นมันคล้ายๆว่ามันมาสอนเราอาการแนั้นอย่างโนูนี่หลวงพ่อเคยเป็นมาหมดเหตุที่มันรั่วนี่แหละจึงสามารถสอนคนใครจะเป็นอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้หลวงพ่อแก้ได้ทั้งหมดสิ่งที่ไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่ค่อยมีเป็นมาเหมือนกันแลวก็สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็รูว่วมันไม่ถูกก็แก้ถูก เพราะการปฏิบัติมันหลายอย่างแปด0มืนสี่พันเรื่องไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดเรื่องผิดก็มีเรื่องถูกก็มีธรรมดาไม่เป็นม้าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะขอยอย่าลืมสติไม่เป็นไรถ้าหลงสติแล้วก็ไปทุกไปอะไรมากมายกายก่อ อยาไปหลงไปลืมตัวมีสติสมชัชย์ยะทางกายเคลื่อนไหวขึ้นลุกขึ้นเดินบ้างนั่งห้อยขานั่งเหยียดขาให้สบายสบายจิตวิสบายสบายอย่าบังคับตัวเองจนเกินไปนั่งนานๆสิบชั่วโมงห้าชั่วโมงเกตชั่วโม ง, โมงอย่าไปมาให้บังคับเปลี่ยนจิตวิเพื่ออะไรเพื่อศึกษามันไปเรื่อยๆไ ป, ไปอย่าไปบังคับมัน <c oughs> มันก็ถ้าเปรียบเท่าประมา ก, ก็าเหมือนกแสงสว่างถ้ามันสว่างน้อยมันก็มองเห็นน้อยๆมันก็แสงเทียนสติสชัญญยะมันมีน้อยมันก็เห็นเฉพาะใก ล, ใกล้ๆเห็นกายเคลื่อนไหวเท่านี้ถ้าสติมันมากเึล่นมากเึล่นจนเชื่องจนหมดพยศ วางไวท้ที่นี่มันก็อยู่ที่นี่ก็มาว่ามันกับแสงสว่างที่มันมากก็มองเห็นออกไปมันกับแสงดีอ่อนสว่างมากมันกับแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ยิ่งมองเห็นโลกทั้งโลกเห็นผิดเห็นถูกดังนั้นก็ให้ทำไปหน้าที่ของเราก็าพยายามจเจริญสติอย่างเดียวอย่าไปหลีกหนีไปทางอื่นอย่ายตัวคนอื่นแย่งออกไป กลับมาตั้งต้นกลับมาเริ่มต้นประกอบความเพียรไม่ทอดถอนกำหนดสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อะไรก็ตามนอกจากการเดินจงกรมการสร้างจังหวะในบทเดิ น, ด น, ดน พ, พยายามรู้จะเข้าห้องน้ำจะเข้าห้องส่วงจะอานข้าจะซักผ้าจะกวรดบ้านทุเรือนจะพูดจรึจ้า ก, กับใครต่อใครก็พยายามมีสติรู้ มันจะทำนานขึ้นไปเองจะรู้ขึ้นไปเองมันเป็นธรรมชาติของมันหรอกถ้าไปเชี่ยวเข็นมันถ้าสติมา ก, ม, กมันก็เหมือนกระแสนสว่างมากเขาเห็นมากแล้วจำเป็นไหมคะว่เราจะต้องหม่เรียนรู้ฝึกปัญญาด้วยไมือเราเห็นคนทุก คนเจ็บป่วยเสียไใจในชีวิตประจำวันอันนี้เราหมั่นเจรนาถ้าเพื่อนระหว่างสติก่อนอย่าเพื่อนเจนาสิ่งมู้นนั่นก็ก็ <c oughs> เป็นมนุษย์ีธรรมธรรมดาอยาไปคิดจนจ น, จนตัวเองมีภาระส่วนสติสชัญิยะนั้นมันไม่เกี่ยวกับอย่างนั้นถ้าถูกความคิดนั้นแย่งเอาไปจินหมดจนไม่รู้สึกตัวมันก็ผิดถ้าความคิดอันนั้น นีสติสมัญญะช่วยเหลือเขาพอเหมาะพอดีไม่เบียดเป็นตนและคนอื่นมันก็ใช้สติเป็นทางที่ถูกแต่บางทีความคิดมันนั่นมันก็บางเบียดตนเองก็มี <c oughs> ก็อยากให้มันบางเบียดตนเองจนเกินไปไม่ใช่คิดถ้าเอามาคิดเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราพอช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าเราช่วยไม่ได้ก็วางไปเป็นธรรมดา บางคนวิตกกังวลเดี๋ยวนี้วันที่หลวงพ่อจะมานี่พูดกับหัวหน้าหมวดที่ลาออกไปคุณบวรหรู้จักไหมหน่ผมเพยแจ้งคร่อนะเขาเป็นทุกข์กับชาวบ้านพอฝนไม่ตกสามปีติดกันไม่รู้ว่าชาวบ้านจะอยู่ยังไงเขาก็ชิดหาวิธีช่วยชาวบ้านจะได้ ข้ปลูกที่ไหนจะได้มเมล็ดพันธุ์ข้าโพดที่ไหนเวลาฝนตกจะไปแจกใจชาวบ้านจะคิดไปเลยคิดหนัหนกๆมันก็ไมันไปดีก็ตามเหตุปัจจัยที่เราพวจะช่วยกันได้ไม่เอามาคิดจนเป็นอารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคิดอย่างนั้นไม่ใช่นายโรคดอกการที่จะนายโลกมันต้องเห็นตัวนี้ เห็นนันสังขารเห็นการปรุงแต่งทำให้เบื่อหน่ายโลกอันตริจตนั้นไม่ใช่หน่ายโลกถ้าหน่ายก็หน่ายในทางที่ผิดไปฆ่าตัวตายไม่ใช่หน่ายโลกเพราะว่าหน่ายโลกเบื่อหน่ายนี่คือมันคลายจางคลายจากความโลปความโกรธความหลงความทุกข์ไม่ได้เข้าไปอยู่กับความทุกข์เห็นการปรงแต่งของสังขารของกิจใจไม ใ, ใ่ตัวใจตนไม่หลงมัน ไม่เชื่อมันมันโกรธก็ไม่เชื่อมันมันหลงก็มันรักก็ไม่เชื่อมันจนเกินไปอันนี้ว่าหน่ายใจะเป็นหน่ายมันน้อ่ะสมควเจ๋่เวลา